ตอนที่ยีสองเจิ้งอวินชงสารภาพรักแล้วหลังจากเจิ้งอวินะชงพาคนออกไปแล้วหลีชิงผิงก็ไม่กล้าปิดไฟในลานบ้านนางหันไปเห็นลูกสาวที่ยืนอยู่ตรงประตูจึงรีบเดินเข้าไปหาไม่ต้องกลัวนะลูกกลับเข้าห้องไปนอนเถอะแม่จ๋านหนูไม่กลัวหรอกคะ่ะหลีหวานคาดเดา ว, ว่าคืนนี้คงไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกประเดี๋ยวพอเจิง้งกลับมาก็คงจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรนางกลับเข้าห้องไปนอนลงอีกครั้งเพียงไม่นานก็พล่อยหลับไป เจิงอวินฉงกลับมาเร็วมากราวกับเขารู้ดีว่าคืนนี้หลี่ชิงพิงคงจะหวาดกลัวจะนอนไม่หลับผมเพิ่งฝึกเสร็จเลยกะว่าจะแวะมาดูพวกคุณไม่ลูกสักหน่อยพอดีเห็นคนท่าทางลับๆ ล, ล่อลอปีนกำแพงเข้ามายังไม่ทันส่งตัวไปสถานีตำรวจเขาก็สารภาพแล้วว่าตั้งใจจะเข้ามาขโมยของเจิงอวินฉงกล่าวต่อคงเห็นว่าบ้านพวกคุณไม่มีผู้ชายอยู่เลยคิดว่าลงมือได้ง่ายกำแพงนี่มันเตี้ยไปหรือคะหลี่ชิงพิงมองสำรวจกำแพงบ้านด้วยความกังวลนางรู้สึกว่าความสูงระดับนี้มันดูจะเตี้ยไปจริงๆ ไม่เกี่ยวกับความสูงของกำแพงหรอกครับมีคำโบราณว่าไว้ไม่กลัวโจรปล้นแต่กลัวโจรจ้องจะเอาเจิ้งหวิ๋งฉงกล่าวด้วยน้ำเสียงทุ่มต่ำโชคดีที่คืนนี้ผมมาเจอเข้าพอดีไม่อย่างนั้นเรื่องเงินหายยังเป็นเรื่องเล็กแต่พวกคุณแม่ลูกอาศัยอยู่ที่นี่มันไม่ปลอดภยัยแล้วจะทํำยังไงดีล่ะคะนี่เป็นลานบ้านเล็กๆที่ฉันเพิ่งซื้อมาจะให้ขายทิ้งก็คงไม่ได้หลีชิงผิงขมวดคิ้วแน่นหรือว่าฉันควรจะเลี้ยงหมาสักตัวดีคําพูดที่เจิ้งอวิง๋งฉงเตรียมจะพูดถูกหล เลี้ยงหมาแล้วพวกมันจะไม่วางยาเบื่อมาหรอครับแล้วจะทํายังไงดีล่ะนี่ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้หลีชิงผิงคิดหาทางออกที่ดีกว่านี้ไม่ออกจริงๆชิงผิงคุณพาลูกสาวมาด้วยแบบนี้ไม่คิดจะก้าวต่อไปข้างหน้าอีกสักวก้าวหรอในตาสีดําสนิทของเจิง้งอวิ๋งจ้องมองหลีชิงผิงเข็ม็งลําคอของเขาแห้งผักด้วยความประมาทที่ผมหมายถึงคือผมอยากแต่งงานกับคุณคุณเต็มใจจะแต่งงานกับผมไหม คุณวางใจได้ในภายภาคหน้าผมจะไม่มีวันยอมให้พวกคุณแม่ลูกต้องลำบากใจเด็ดขาดการถูกสารภาพรักอย่างกระทันหันทําให้หลีชิงผิงถึงกับอึ้งไปทั้งตัวนางอ้าปากค้างอย่างงงอะไรนะคะเจิ้งอวิ๋นฉงจะแต่งงานกับนางนั้นหรือสวรรค์หลีชิงผิงไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยสักนิดนางไม่มีความคิดที่จะแต่งงานใหม่ในขณะที่พาลูกสาวมาด้วยแบบนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าอีกฝ่ายคือเจิ้งอวิ๋นฉง ลี่ชิงพิงรีตรีความไปว่าเจิ้งอวินชงต้องการตอบแทนบุญคุณนางจึงรีบกล่าวว่าท่านรองผู้พันเจิ้งอย่าเข้าใจผิดนะคะฉันช่วยชีวิตท่านไว้ท่านไม่จำเป็นต้องแต่งงานกับฉันจริงๆแค่ฉันเคยบอกไปแล้วไม่ใช่หรือคะบุญคุณระหว่างเราณนะท่านชดใช้ให้หมดนานแล้วอีกอย่างฉันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเป็นเพราะร่างกายของท่านแข็งแรงเองต่างหากผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเจิ้งอวินชงรู้อยู่แล้วว่าหลี่ชิงพิงต้องเข้าใจผิด เขาก็อายุสาสิบกว่าเข้าไปแล้วแต่ตอนนี้กลับทําตัวเหมือนเด็กหนุ่มไม่ประสีประสาที่ไม่รู้จะพูดอย่างไรดีมันไม่เกี่ยวกับการตอบแทนบุญคุณเลยสักนิดยิ่งเขารู้จักหลีชิงผิงนานเท่าไหร่เขาก็ยิ่งชอบนางมากขึ้นเท่านั้นเขารู้สึกเสมอว่าผู้หญิงคนนี้มีความเข้มแข็งซ่อนอยู่ในตัวถ้าผมอยากจะตอบแทนบุญคุณจริงๆผมคงไม่แต่งงานกับคุณหรอกไม่ว่าคุณจะต้องการเงินหรือเงื่อนไขอะไรผมก็ให้ได้ทั้งนั้นน้ําเสียงของเจิ้งอวินชงเริ่มเร่งร้อนแต่ตอนนี้ ผมอยากแต่งงานกับคุณผมอยากใช้ชีวิตรวมกับคุณไปตลอดชีวิตขอโทษ ด, ด้วยนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมพูดอะไรแบบนี้กับใครถ้าคุณรู้สึกว่ามันเสียมารยาทเกินไปก็ถือเสียว่าผมไม่เคยพูดแล้วกันแต่ผมก็ยังหวังว่าคุณจะลองเก็บไปพิจารณาดูให้ดีเดิมทีเจ้งางวินชงไม่ได้ตั้งใจจะพูดเร็วขนาดนี้เพราะกลัวว่าจะทําให้หลีชิงพิงตกใจแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนี้ทําให้เขารู้สึกหวาดกลัวเหลือเกินเขาอยากจะรีบแต่งงานพานางเข้าบ้านเพื่อจะได้ปกป้องนางได้อย่างเต็มที่ เจิงอวินชงล่อสังเกตสีหน้าของหลีชิงพิงอย่างระมัดระวังไม่รู้ว่านางจะตอบว่าอย่างไรฉันคือฉันเห็นได้ชัดว่าหลีชิงพิงไม่ได้เตรียมใจมาเลยนางอึกอักอยู่นานแต่ก็พูดออกมาไม่เป็นประโยคคืนนี้คุณพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนเธอรอจนคุณคิดทบทวนจนถี่ทั่วแล้วค่อยให้คําตอบผมก็ยังไม่สายเจิงอวินชงพูดจบก็เตรียมจะเดินจากไปเพียงแต่ก่อนจะพ้นประตูเขาได้เสริมขึ้นอีกประโยคผมหวังว่าคุณจะให้คําตอบผมโดยเราอย่าให้ผมต้องรอนานเกินไปนักเลย ตอนนี้หลีชิงถิงไม่เพียงแต่ต้องคิดถึงตัวเองแต่นางยังต้องคิดถึงลูกสาวด้วยนางเพิ่งจะกระโดดออกมาจากคุ้มนรกหนึ่งไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นคุมนรกอีกแห่งหรือไม่หากจะบอกว่าไม่หวั่นไหวกับผู้ชายคนนี้เลยก็คงเป็นการโกหกเขาดูมีความรับผิดชอบและมีความสามารถในการจัดการมากกว่าโจเจี้ยนเยี่ยมากนะักความรักความใส่ใจที่ไม่เคยได้รับมาก่อนนางกลับสัมผัสได้จากเจิ้งอวิน๋นฉง ลิชิงผิงนอนไม่หลับทั้งคืนด้วยความสับสนวุ่นวายใจเช้าวันต่อมาหลีหวานสังเกตเห็นขอบตาที่ดำคำทั้งสองข้างของแม่รวมถึงท่าทางใจลอยดูท่าเมื่อคืนนี้คงจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจริงๆแม่จ๊ะหลีหวานเรียกขึ้นคำหนึ่งหลีชิงผิงหันมามองนางอย่างเชื่องช้าหืมมีอะไรลูกแม่เป็นอะไรไปจ๊ะแล้วเรื่องหัวขโมยเมื่อคืนเป็นยังไงบ้าง อ้ออาเจิ้งของลูกบอกว่าเมื่อคืนเขาบังเอิญมาเจอขโมยเข้าบ้านเราพอดีขโมยถูกส่งตัวไปสถานีตำรวจแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นคนจัดการเองจ้าลีชิงผิงกล่าวไม่มีอะไรหรอกว่าหลังบ้านเราเลี้ยงหมาตัวใหญ่ๆสักตัวนะเวลาขโมยมัจะได้ยินเสียงแต่มันก็ได้แค่ได้ยินเสียงเท่านั้นแหละพวกนางจะไปจัดการขโมยเองได้ที่ไหนกันลี่หวันรู้สึกว่าแม่ของนางดูใจลอยผิดปกติเหมือนว่านอกจากเรื่องขโมยแล้วยังมีเรื่องอื่นที่ยังไม่ได้พูดออกมาชิงผิง เสียงที่เปลี่ยนไปได้วยความตื่นเต้นของเจ้าชุนฮวาดังมาแต่ไกลหลีชิงพิงดึงสติกลับมาทันทีคุณป้าหรือคะชิงพิงเอ๋อเจ้าลูกชายตัวดีบอกป้าเมื่อเช้านี้หมดแล้วเมื่อคืนมันไม่ได้ทําให้หนูตกใจใช่ไหมเจ้าชุนฮวายิ้มจนปากหุบไม่ลงลูกชายคนโตของนางในที่สุดก็รู้จักเปิดใจเสียทีหลายปีมานี้ข้างกายไม่เคยมีผู้หญิงสักคนตอนนี้พอเจอคนที่ถูกใจนางที่เป็นแม่จมัวแต่นั่งดูเฉยเฉยไม่ได้ต้องรีบมาช่วยคว้าเอาไว้ให้ได้ คุณป้าคะเรื่องนี้ลีชิงพิงอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้คิดให้รอบครอบนางเหลือบมองลูกสาวเสี่ยวหวานกลับเข้าห้องไปก่อนลูกไม่ต้องต้องการแต่งงานตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของหนูคนเดียวแต่มันเป็นเรื่องของพวกหนูแม่ลูกให้เด็กฟังอยู่ตรงนี้ด้วยก็ดีเหมือนกันเจ้าชุนฮวารั้งหลีหวานไว้ไม่ให้ไปก่อนจะหันมาพูดต่อด้วยความดีใจชิงพิงหนูไม่ต้องไปมองว่าบ้านป้ามีเด็กตั้งสามคนหรอกนะัทธวันหน้าหนูแต่งเข้าบ้านมาป้าจะไม่มีวันยอมให้หนูต้องไปเป็นแม่เลี้ยงให้เด็กๆพวกนั้นเด็กขาด เด็กสาคนนั้นป้าจะเลี้ยงเองส่วนเสียวหวานต่อไปป้าก็จะช่วยเลี้ยงด้วยพวกหนูสองคนผัวเมียก็ใช้ชีวิตของตัวเองไปเถอะป้ากับตาเท้าพอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างเลี้ยงเด็กพวกนี้ได้สบายมากอีกอย่างป้าก็เอนดูเสียหวานจากใจจริงป้าจะรักแกเหมือนหลานสาวแท้ๆของตัวเองเลยล่ะหนูยิงกังวลเรื่องอะไรอีกไหมบอกออกมาได้เลยทุกปัญหาแก้ไขได้ทั้งนั้นเจ้าชุนฮวารีบอธิบายปัญหาที่อาจเกิดขึ้นให้ชัดเจนก่อนเพราะเกรงว่าจะทําให้ชิงถิงตกใจ แต่ลี่ชิงผิงกลับไม่ได้กังวลเรื่องเหล่านั้นเลยนางเพียงแต่คิดว่าตนเองไม่คู่ควรกับเจิ้งอวิน๋นฉงคุณป้าข้ฉันเพิ่งจะยาร้างแถมยังพาลูกสาวมาด้วยคนหนึ่งส่วนท่านรองผู้พันเจิ้งยังไม่เคยแต่งงานเราสองคนไม่เหมาะสมกันหรอกคะเขาไม่เคยแต่งงานก็จริงแต่สภาพตอนนี้กับคนแต่งงานแล้วที่มีลูกติดสาคนมันต่างกันตรงไหนล่ะป้าขอแค่หนูไม่รังเกียจเขาก็พอแล้ว